นั่งรถไปทั้งคืนยังไม่ถึงนะไปต่อรถสองแถวนะรถปิกอัพที่ไปเดินต่อก็มีมางองค์อยู่ไกลมากเลยที่ถามเส้นทางกับครูบาอาจารย์ไว้ว่าไป ว, วัดนี้ไปยังไงไงท่านก็บอกวนะ่าใกล้ๆตรงเนี้ยซอยนี้เข้าไปทางเนี้ยนิดเดียวแหละอุยเราเดินสักก้อนวันนะครึ่งก้อนวันกลับมาไปต่อว่าท่านอา้าเพราะว่ า, วานึกว่าใกล้นะขึ้นรถอาตมาก็ทาสมาธิ ลืมตาขึ้นก็ถึงแล้วโอ้โหานั่งไปนานเท่าไหร่ก็มไม่รู้นะนกกว่าจะได้ธรรมะมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆครูบาอาจารย์แต่ก่อนอยู่ไกลเดียนนี้หาง่ายครูบาอาจารย์เปิดอินเทอร์นเนเต็ตก็เจอละพวกเราก็เลยสบายความขนไขวยไม่ต้องมากนี่มันจะกลายเป็นนิสัยก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ดิ้นรนขนไขวยขยันปฏิบัติภาวนาบ้างขี้เกียจบ้าง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 มันแล้วสมาธิประเภทมิจฉาสมาธิเนี่ยนะเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะทำมิจฉาสมาธิทุกวันนี้ก็ยังมีแต่เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วอย่างเมื่อวานที่วัดนะคนมาส่งกันบ้านหน้าตาใหม่ๆ ม, มาหลายคนเลยเคยฝึกมิจฉาสมาธิมาทั้งนั้นเลยพวกนี้เรียนยากมันจะนิ่งนะรู้สึกตัวทั้งวันเลยตากวางๆนิดนึง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 สุดท้ายหมดแรงตอระหว่างพอนาก็หยุดทำโน้นทำนี่บ้างเดี๋ยวก็ขยันใหม่นะทำทำหยุดหยุดพอพรรษาเยอะๆนะก็ปล่อยวางนะปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรแนละ้วเขาเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงแลนะไปไม่รอด้นพวกเรายังมีแรงฮึดอยู่นะฮึดไปนะพอนาอย่าหยุดอย่าหยุดแต่ต้องถูกหลักถ้าพอนาผิดแล้วฮึดเนี่ยนะน่ากลัวมากเลยที่พวกเพี้ยนเพียนอนะพอนาไม่เป็นว่ามันฮึดจะทำให้ได้จะทำให้ได้ จะบอกความรับให้อันหนึ่งทํำยังไงก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทํำยังไงนะนิ้วนักปฏิบัติเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็คิดจะทํำยังไงจะทํำยังไงจะมีวิธีปฏิบัติยังไงให้จิตมันดีให้จิตมันสุขให้จิตมันสงบให้จิตมันฉลาดคิดแต่จะเอาอ่ะะจะเอาจะเอาอะไรเอาฝนเอาฝนนี่เรียกโลภนะไม่ใช่ฉันทะฉันทาเนี่ยเรามีความสุขเรามีความฟึงนพอใจที่จะทําเหตุที่ถูกต้องนะ ก็ขยันทำพอมีฉันทะนะวิริยะมันเกิดเอี่ยงหลวงพ่อนะเมืันก็คงทําผิดมาเยอะนะแต่ว่าชาติเนี้มันเลยเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆตั้งแต่เด็กๆอ่ะตอนเด็กๆก็เจอท่านพ่อรีมารโสกรามท่านสอนสมถะกรรมฐานให้ตอนนั้นไม่รู้จักสมถะไม่รู้จักวิปัสสนาอะไรหรอกนะท่านบอกให้หัดไปพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้หวังผลนะ แต่ใจนั้นมันชอบที่จะปฏิบัติมันพอใจที่ได้ปฏิบัติทุกวันก็มานั่งหายใจมีเวลาเข้าหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆทําแบบไม่ได้หวังผลอะไรพอเราทําแบบไม่ได้หวังผลอะไรมันจะได้ผลเร็วตอนเด็กๆไม่นานทําให้กี่วันหอกหายใจไปหายใจไปนะพุทโทหายเหลือแต่หายใจหายใจอ๊ทีแรกตัวเลขหายก่อนเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่มีนับตัวเลข อานาไปเรื่อยๆนะพุทโธหายไปอีกเหลือแต่ลมหายใจนะหายไปหมดนะสุดท้ายลมหายใจหายไปีกลายเป็นแสงพอเป็นแสงแล้วคราวนี้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงห่างไกลครูบาอาจารย์เราเด็กเล็กๆก็เจ็ดขวบเองจะไปหาครูอาจารย์ก็ไม่มีปัญญาหรอกท่านอยู่ปากน้ำนะอยู่อยู่บางปิ้งเลยทางโ น, น้นะวัดอโศการามเด็กๆไม่มีปัญญาจะไปหรอก พอใจมันสว่างขึ้นมาน้ำใจมันกตามแสงออกไปข้างนอกเนี่ยธรรมชาติของจิตมันชอบส่งออกนอกมันสว่างดีมันดูอยากรู้อยากเห็นอยากดูอะไรนะมันสว่างมันฉายแสงออกไปไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรแต่นรลกนี่นะไม่เฉียดเลยว่ากลัวผีลืมไปอย่างนะว่าเทวดาก็โอปาปาติกะเหมือนกันแต่ว่าได้ยินชื่อว่าเทวดาเพระน่าเจอใช่ไหมใครพานายอยากเจอเทวดาบ้างทําตัวเองให้เป็นเทวดา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 ปลูกเหมือนกันหมดเลยทั้งแปลงเลยไม่รู้จักปลูกพ้ะกันนะไอ้สีแดงก็แดงเถื่อยอยู่งั้นนะ่ะนะอย่าเอาสู่ลูกลูกตาเวลาเดินดูก็ไม่ได้เดินจริงหรอกนะลอยๆไปดูแล้วปลูกดอกไม้ใกล้ๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรไฮโดรไม่มีดินหรอกนะปลูยดูไปดูไปเนะ้มันได้ประโยชน์อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะแล้วถ้าเกิดฟลุกไปเจอผีเขาจะทาไงพัวผี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 นี่นเป็นหลักของการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะเพให้จิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่ให้จิตไหลพะจิตจะไหลรู้ทันรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้มุ่งที่ความสงบถ้ามุ่งที่ความสงบนะจะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆนะบางทีลงไปพักวูบลงไปสบายแต่แถ้าเรามุ่งที่จะรู้สึกตัวตอนนั้นกลัวว่าจะขาดความรู้สึกตัวแล้วไปเจอผีนะหายใจพอจะเคลิบเนี่ยลงพ่อจะหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่ง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 ส่วนใหญ่ที่นั่งนั่งเครืม่มเครืม่มไปขาสติไปพอออกมาก็ตาลอยลอยออกมานะเนี่ยทำให้ดูตามเป็นนะมีหลายแบบนะในความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบนะมันมั่วซั่วไปหมดนะทีก็เครียดออกมาเลยตากวาออกมาเลยนะมองหมานะหมาหางจุกก้นเลย หลวงพ่เคยภูมิใจแลยทำสมาธิออกมาแล้วหมามาเห่าข้างบ้านน้ำมองวันทีเดียวตกใจนะขนาดหมายังกลัวเลยเ <laughs> ก่งซะขนาดนะเพื่อนั้นต่อไปก็เลยฝึกสมาธิชนิดที่ไม่ให้ขาดสตินะเพราสติอ่อนก็เราสติขึ้นมารู้สึกให้ชัดขึ้นหน่อยนะรู้สึกรู้สึกสุดท้ายเนี่ยได้พอจิตรวมลงไปนะร่างกายก็หายไปนะร่างกายก็ไม่มี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 ไ ม, ไม่แนบเคยรู้จักอะไรท่านนะท่านรู้จักชื่อด้วยท่านเคยสั่งลูกศิษย์นะลูกศิษย์ทางนี้เน่ยนะนะบอกว่าปีนี้ปีนี้เดือนนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเราสั่งเราทึ่งเลยสั่งก่อนท่านมรณภาพตอนก่อนหลวงพ่อบวชเนี่ยยังไปเผาศพท่านเลยท่านสั่งล่วงหน้าไว้นานเลยหลายปีอันนั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของท่านนะ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 ก็คิดเลยนะนึกถึงผมเลยตอนนั้นผมยาวนะไม่ใช่เลี้ยงๆอย่างตอนนี้หรอกดูผมนะมาดูลงไปปุ๊บสติแตะปุ๊บนะสมาธิมันแรงอนะ่ะผมหายไปทันทีเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะต่อนะหนังศีรษะก็เปิดออกไปเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแนละ้วหัวขาดไปเลยเนื้อเจ็ตัวนะดูตัวอีกเนื้อหายไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกนละ้กระดูกระเบิด กระดูกระเบิดเปรี้ยออกแปกลายเป็นเม็ดเม็ดเมเม็สายสกระจายเต็มพื้นเลยไม่เลิกนะดูต่อไปอีกมันกลายเป็นคลื่นเป็นแสงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในรู้ในวัตถุทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแยกเข้าไปให้เต็มที่นะมันกลายเป็นแสงเป็นพลังงานเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่วัตถุที่แท้จริงหรอกแต่ว่าพอดูกายจนกายมันหมดไปะมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้อีกแล้วแล้วไปไหนอ่ะดูกายเสร็จแล้วมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้อีกแล้ว เราต้วิปัสสนามอยู่ที่ไหนวะการคิดที่นักกายนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะกายระเบิดไปหมดละเพราะว่าสมาธิมันแรงถ้าสมาธิแรงนะเพราะร่างกายไม่มีก็กลับมาเป็นผู้รู้อีกแล้วไปต่อไม่ได้นะไม่มีทางจะไปต่อเลยไม่รู้จะไปยังไงคราวเนี้จนฝึกอยู่อย่างนี้ย2่ปีไม่เจอหลวงปู่ดุลจันจะเจอหลวงปู่ดุลนะก่อนจะเจอท่าน่ะ นึกในใจว่าเมื่อไหรเราจะมีครูบาอาจารย์สอนเราสักทีนะกลางคืนนั่งสมาธิไปนั่งไปแล้วมันก็มีนิมิตว่าเห็นพระแก่ๆองค์หนึ่งมาหานะท่านผอมๆแก่ๆตัวนิดเดียวเราผลไม้มายื่นให้ลูกหนึ่งสนใจมากเรื่องนี้ไม่เล่าละ <laughs> <laughs> ชอบของ สาระน้อยรวองความก็คือสุดท้ายก็ไปหาท่านเห็นไหมหักมุมให้เจ็บช้ำ <laughs> อยากฟังบ <laughs> างคนยังทำใจไม่ได้เลย <laughs> <c oughs> ความอยากลดะเล่าได้ทะา <laughs> ้เอาผลไม้มาให้ลูกหนึ่งท่านก็บอกว่าผลไม้มันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานเนี่ยนะมันเกิดจาก เนื้อในของมันเกิดจากตัวของมันนะคนเราเนี่ยจะดีหรือจะไม่ดีนะอยู่ที่จิตอย่างเงี้ยให้เรียนรู้จิตตัวเองหลังประเภทเนี่ยเสร็จแล้วก็ใจออกมาท่านก็หายไปเราก็ไม่รู้จักว่าพระทีท่ไหนนะเมื่อวันหนึ่งที่ไปเจอท่านโอ้ยองนี้แหละไปเจอท่านท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองพอท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเนี่ยหลวงพ่อลืมการปฏิบัติที่ทํำตั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เลยเออาก็นั่งสมาธินะ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 ตรงนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะหมาก็เป็นนะเไม่ใช่ว่าอุ๊ย่างนี้สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วจะเป็นพระอรหันต์ปลาหมาก็เป็นแบบเดียวกันนะแมวก็เป็นแบบเดียวกันละขณะจิตที่มองเห็นนะไม่รู้ว่าเห็นอะไรหรอกนะมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะพอส่งสัญญาณแล้วมีการแปลสัญญาเข้ามาแปลว่านี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้พอแปลเสร็จแล้วนั้นก็เกิดการตัดสินใจขึ้นมาว่าอันเนี้ชอบหรืออันนี้ไม่ชอบนะ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 ตรงนี้มันเซฟข้อมูลนะมันคล้ายๆเราชัดดาวคอมพิวเตอร์แล้วมันจะเก็บข้อมูลแนละ้วเซฟเก็บลงไปเก็บลงไปที่ไหนเก็บลงไปในผวังกัจิตอีกนะเก็บกลับเข้าไปสะสมเอาไว้ดงั้นตอนที่เราจิตมันขึ้นวิถีขึ้นมาเนี่ยมันมาทําความดีมันก็เก็บวิบากที่ดีสะสมไว้มาทําความชั่วมันก็เก็บวิบากชั่วสะสมไว้ถึงเวลาที่พอหมอพอควรนะมันจะกลับขึ้นมาทํางานใหม่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 ค่อยๆดูค่อยๆเรียนแต่ที่พูดเนี่ยดูเป็นปีๆนะเมาเล่าให้ฟังย่อๆหรอกเ น, นี่ยเห็นสารพัดจะเห็นเลยเห็นเลยจิตมันขึ้นมาได้ น, ะนะี่ยตาหูจมูกเล่นกายกระทบอารมณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอุเบกขาล้วนๆเลยขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาทุกคนเลยนะทุกดวงเลยในขณะที่หูได้ยินเสียงจิตก็เป็นอุเบกขาไม่มีสุขมมีทุกข์หรอก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 เป็นอยู่อย่างเนี้ยนะถ้าจิตขึ้นจะระวังมานะจะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมานี่แหละเรานี่แหละเรานะถ้าภาวนาไปเรื่อยนะเจนทั้งวันหนึ่งเห็นความจริงจิตก็ไม่ใช่เรานะแต่ก็ยังหยิบฉวยอยู่ความเห็นว่าไม่ใช่เรานะเป็นความเห็นถูกนะละสกยาทิฐิได้เป็นโสดาบันได้นะแต่ความยึดถือยังอยู่เพราะฉะั้นขนาดพระโสดาบันขนาดพระสกิทาคาพระอนาคานี้ยังยึดถือจิตอยู่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 ทุกวันเนี่ยขยันภาวนามากเลยเพราะอะไรเพราะมันสนุกที่ได้เรียนรู้เรียกว่ามีฉันทะไหมขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องมรรคผลนิพพานอะไรเลยไม่ได้อยากนะถ้าพวกเราภาวนาเนี่ยเราก็อยากได้ผลใช่ไหมอยากเป็นพระโสดาใครอยากเป็นโสดาบ้างมีไหมมีอยู่บางคนไม่อยากเป็นเพราะคิดว่าเป็นสักกาะขาแล้ว <laughs> <laughs> ไม่อยากเป็นโสดา <laughs> ไม่เป็นง่ายหรอกต้องอดทนมากนะเรียนแล้วเรียนอีกเราจิตใจเรามันซึมซับความหลงผิดเอาไว้เยอะเราพามันมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจกว่ามันจะยอมรับความจริงนะขับไล่ความหลงผิดออกไปต้องใช้เวลานะกว่าพวกเราจะพัฒนามาถึงจุดนี้นะั้นเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้น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 อย่างพวกเราถ้าอ่านหนังสือที่ชอบสักเล่มหนึ่งแล้วก็ขยันดูอ่านบ่อยนะบางเล่มนิยายบางเล่มอ่านตั้งหลายรอบใครเคยเป็นไหมบางคนนะซื้อนิยายมาเล่มหนึ่งอ่านแล้วอ่านเองทําไมทำไมอ่านบ่อยจะได้คุ้มไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ฉันทานะอย่างนี้โลภงกนะแ้วบางคนมันชอบอะเรื่องนี้ชอบอ่ะชอบนะอ่านแล้วอ่านอีกมันมีความสุขที่ได้อ่านมันอยู่ตรงที่ว่ามีความสุขที่ได้ทํา มีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจได้รู้รูปนามตามความเป็นจริงนะพมันมีความสุขมันมีความพอใจขึ้นมันวิริยะจะเกิดเองเมื่อวิริยะจะเกิดขึ้นขยันภาวนาเนี่ยจิตใจจะจดจ่อกับการภาวนาคนมาชวนให้วักแวกไปที่อื่นไม่อยากไปยุ่งอะ่ะไม่อยากยุ่งกับคนอื่นนะไม่อยากทําอะไรหรอกอยากจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะเนี่ยจิตต์นะจิตใจมันจดจอ่อแล้วว่าสภาวะอะไรเกิดนะจิตมันจะค้นคว้าพิจรารณาทบทวนไปทบทวนมานะ เช่นสภาวะอย่างนี้ผุดขึ้นมาเนี่ยไอ้สภาวะอย่างนี้ไม่เคยเห็ น, นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมีทั้งหมดไม่มากหรอกนะมีเจ็สบสอตัวเท่านั้นเองนะตัวหนึ่งคือพันธุ์นิพพานพวกเราไม่เห็นอ่ะตัวนี้ไม่โผล่มาให้ดวเราดูหรอกนะถ้าจิตไม่มีคุณภาพจิตยังมีตันหาอยู่ไม่เห็นหรอกนะสภาวะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวจิตจิตเนี่ยพวกเรามีจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์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 แต่เวลาที่หลวงพ่อพานานะถ้ามันเกิดสภาวะอะไรที่แปลกๆขึ้นมาเนี่ยมันสนใจมันจะต้องคอยเวียนกลับมาดูเรื่อยๆนะถ้ามันไม่มาแล้วยคอยชำเลืองชิงเรืองเมื่อไหร่มันจะมานะตอนมาแล้วก็แอบดูมันมันเป็นใครนะมันเป็นใครโอ้ตัวนี้แหละเรียกว่านี่นี่นะบางทีก็รู้ชื่อนะบางทีไม่รู้ชื่อรู้แต่ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะแต่ไม่รู้จักชื่อเป็นสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น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 ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นองค์ธรรมของอะไรเรียกว่าอะไรอิทธิบาทอิทธิบาททำให้เกิดอะไรให้อายุยืนใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ทำคุณสมบัติแค่นั้นนะทำให้ประสบความสำเร็จนั่นคือธรรมะที่ทำให้สำเร็จนั้นเราไปวัดใจเรานะแล้วเราภาวนา ม, มาตั้งนานแล้วรู้สึกหงุดหงิดตัวเองไม่สำเร็จเสียทีมีฉันทะจริงหรือเปล่าหรือมีโลภ มีวิริยะหรือมีความบ้าเลือดนะบางคนเดินจงกรมหามลุ่งหามข้ามบอกวิริยะมากบ้าเลือดอยู่ mm hmm. กําลังทําด้วยความบ้าเลือดนะ่ะจะหักคอกิเลสให้ได้ถ้ากิเลสไม่ตายกูจะตายรับรองมึงตาย mm hmm. <laughs> กิเลสไม่ตายหรอกนะกิเลสไม่กลัวไพวกบ้าเลือดหรอกกลัวสติกลัวปัญญานะจิตตานะมีจิตจดจ่อมีสมาธิหรือวกแวกพวกเราวกแวกตลอดเวลารู้สึกไหมเราพร้อมที่จะพักการปฏิบัตินะ ไปทำอะไรอื่นก่อนเดี๋ยวว่างแล้วจะมาปฏิบัติต่อเนยไม่ได้กินหรอกนะไม่ได้กินง่ายๆแต่ถ้าอินซีอย่างอ่อนก็ทำอย่างนั้นไปก่อนสะสมบารมีไปนะวันใดที่ความทุกข์มาถึงตัวมากๆแนละ้วมันจะขยันภาวนาขึ้นมาเองแหละตอนไหนสบายมันจะเพลินๆไปก่อนใครยังรู้สึกตัวว่าเผลอเพลินบ้างยกมือซินี่หันมาดูก่อนไม่ดูพระนะกยาดู <laughs> พระก็มีหร อ, อเผลอเพลิน เรืนๆไปเรืเ่อยๆนะแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งล้ะแป๊บหนึ่งก็ปีแล้วนะไม่นานก็ตายบางคนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวอายุเยอะๆจะขยันภาวนาตอนนี้ขี้เกียจไปก่อนเล่นก่อนไม่ได้แก่ไม่มีโอกาสแก่ไปตรวจร่างกายมะเร็งจินไปแล้วอะไรนี้นะตายเนี่ยต้องอดทนนะหัดดูสภาวะไปเนี่ยที่หลวงพ่อฝึกมาเนี่ยฝึกมาแบบนี้เองครูบาอาจารย์สอนให้ทา อาณาปานาสติทําไม่เลิกทําทุกวันแต่ทําแล้วถูกหลักคือทำแล้วไม่ขาดสติใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงปู่ดูลต่อยอดให้ให้ดูจิตดูจิตที่ได้ก็ดูไม่เป็นไปจ้องจิตจ้องจิตไม่ได้ดูจิตนะจ้องไม่นิ่งๆอย่างนี้ดูจิตก็คือจิตมันเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไร่ทาไมมันสุขมันทุกข์มันดีมันไร่มันต้องกระทบอารมณ์ใช่ไหมกระทบอารมณ์แล้วมีการตัดสินมีการให้ค่าอะไรขึ้นมา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 ตั้งใจว่าจะพาวนาวันละชั่วโมงวันแรกก็ได้วันที่สองได้วันที่3ได้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำชั่วโมงครึ่งชดเชยไปไปมาๆมันไปทั้งวันหนึ่งต้องทำามสิบชั่วโมงนะถึงจะชดเชยได้สะสมไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกเนะี่ยที่หลวงพ่อฝึกมานะมันไม่ใช่เรื่องเดือ ว, วิสัยที่พวกเราจะทำนะถ้าเรารู้หลักและอย่างหลักของสมาธินยอย่าขาดสติ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 แล้วเราก็าเริ่มสังเกตเห็นจิตใจของเราเนี่ยเริ่มมีวุติภาวะมันเริ่มเติบโตมันเริ่มเข้มแข็งพวกเรารู้สึกไหมเนี่ยหลวงพ่อมาสอนที่นี่หลายคนอนะเติบโตขึ้นมารู้สึกไหมมันเข้มแข็งขึ้นมานะส่วนไอ้พวกนั่งสมาธิเดอนะือดเดอมันก็เดอดตั้งชาติอนะมันไม่มีวันเข้มแข็งหรอกหรือไม่ก็ไอ้เครียดก็เครียดอยู่นั้นนะนะตากวางไปหมดเงี้ยมันก็อยู่แค่นั้นอนะมันไม่เหมือนอย่างถ้าพวกเราภาวนานได้ถูกหลักถูกเกณฑ์นะ มันจะมีพลังของตัวเองขึ้นมามันจะรู้สึกว่าตัวเองเ ต, ติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันมองโลกมองชีวิตมองความเป็นจริงของกายของใจนะได้ตรงความเป็นจริงยอมรับความจริงได้เยอะขึ้นผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันตรงนี้แหละนะถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงมีวุฒิภาวะจริงนะยอมรับความจริงนะเพิ่มยอมรับความจริงได้มากขึ้นเด็กๆเพื่อฝันฝันอยู่ยังไม่ยอมรับความจริงอย่างเวลาอกหักนะมันไม่ยอมรับความจริงนะมันถึงอกหัก ถ้ายอมรับความจริงได้ก็เห็นแกมาแล้วแกก็ไปธรรมดานะเวลาอกหักหลายๆที่ก็จะเกิดวุตที่ภาวะเหมือนกันนะเ <c oughs> ติบโตขึ้นมานะจะเห็นในโลกนี้ก็อย่างนี้เละเอาแน่นอนไม่ได้นะ <c oughs> แต่อย่างนั้นยังไม่ใช่วิปัสนาเพราะอะไรมันเทียบคนละห่วงเวลาแต่ก่อนเขาอยู่กับเราเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่เนี่ยแสดงว่าไม่เทียบอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาะนะมันเทียบคนละเวลากันถ้าวิปัสนาเนี่ยสภาวะอันนี้เนะี่ย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 ตัวเองตีนกาจะขึ้นก็ยอมรับได้นะอย่างเด็กๆนะตีนกาขึ้นเนยยอมรับไม่ค่อยได้จําได้ไหมตีนกาอแรกขึ้นอายุเท่าไหร่ไม่อยากจํจาจําแล้วเจ็บช้ำเนี่ยขึ้นหลายๆอันก็ชักอุเบกขาใช่ไหมขึ้นอันแรกเนี่ยเจ็บที่สุดเลยหรือผมงอกเส้นแรกที่เห็นนะรู้สึกหวั่นไหวไหมใครเคยมีผมงอกระยอมือซิใครมีผมงอกบ้างแล้วมีบ้างไหมโอแก่แล้วเนาะ <c oughs> จำผมงอกเส้นแรกได้ไหมชอกช้ำ ม, มากเลยนะ <c oughs> พอเส้นที่ห้าร้อยชักยะอุเบกขาพ <c oughs> อเยอะๆเข้าชักยอมรับเพราะอะไรใจมันเริ่มยอมรับความเป็นจริงถ้าใจยอมรับความเป็นจริงได้นะความทุกข์จะลดลงถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ความทุกข์จะเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราหัดดูรูปธรรมานมามธรรมซ้ำแล้วซ้าอีกนะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจนีมันยอมรับความจริง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 ที่มันทุกข์เพราะมันไม่อยอมรับธรรมดานะหรือจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนในโลกเนี่ยมันวิ่งหาความสุขตลอดเวลานะมันวิ่งหนีความทุกข์มันวิ่งหนย่างเนี้ยพล่านพลนไปแต่พอเรามีสติปัญญานะเราก็จะเห็นนะความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวคราว น, ะาวานี้ความทุกข์มานะเราจะไม่ทุรนทุรายเราจรู้สึกว่าความทุกข์ก็ชั่วคราว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 เ่ถ้าดูไปซ้ำๆไปด้วยมันถึงจุดหนึ่งมันก็ยอมพอมันยอมได้นะคราวนี้มันไม่หวั่นไหวนะเราฝึกไปจนทั่งใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเป็นกลางแล้วบุญบารมีทั้งหลายเราก็สะสมของเราไปเวลาวัดการปฏิบัตินะว่าดีหรือไม่ดีเนะี่ยเราไม่ได้วัดเป็นรายวันเราจะวัดคล้ายๆเกลียดเฉลีย่ยนะเกรดเฉลีย่ยคือจิตใจของเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ใจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพามันมีบารมีมากขึ้นนะมันสะสมมาจากการสร้างความดีนานาชนิดนะเป็นพลังของจิตบางคนเจริญสติอย่างเดียวนะความดีอื่นไม่เอาเลยน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญาอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เาเลยนะเรื่องศีลเรื่องอะไรไม่เอานั่นเลยพวกนี้จิตไม่มีพลังยังมีสมาธิบางคนก็ทําสมาธิจเจริญปัญญาศีลไม่รักษาจิตจะไม่มีพลัง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 ว่าจิตมันมีบุญบารมีมากพอมีพลังมากพอนะแล้วเจริญสติเจริญปัญญามากพอนี่มันจะก้ากระโดดเปลี่ยนตระกูลไปไปอยู่ในตระกูลของโลกุตตะนะตร ะ, ตะกูลของพระอริยะเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีพ่อมีแม่ที่แท้จริงนะพ่อแม่ของเราในชาตินี้ก็จริงนะเป็นพ่อแม่จริงแต่เป็นในชาตินี้นะแต่พ่อแม่ของเราในสังสารวัฏนีคือพระพุทธเจ้าจนี้เราจะรู้สึกว่าเรารู้แล้วอะ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 ลำบากขันมากเลยในการประกาศธรรมะเนี่ยคล้ายๆสอนวัวสอนควายให้ขึ้นต้นไม้กันนะไม่ใช่ง่ายนะสอนให้คนละกิเลสดีไม่ไดีมันก็แย่งเอานะกโกรธเอาเมื่อท่านกุศลทำท่านก็ชี้ทางให้เราพอเราเริ่มเดินไปเดินไปนะถึงจุดที่เรารู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรรมนามธรรมมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวเราการกระทํำมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทํา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 รู้ว่าพี่น้องเรามีนะคือปรรดาพระดิยะเจ้าทั้งหลายแต่ว่าเรายังกลับไม่ถึงบ้านเราก็จะเกิดความพากเพียร น, นะมุ่งมั่นศรัทธาของเราคราวนี้จะแน่นแฟ้นะไม่คลอนแคลนนะแลเราก็จะยันภาวนาไปเรื่อยบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยอินทะรีย์ไม่แก่กล้าใช้เวลาเจ็ดชาตนะิเจ็ดชาติสั้นนิดเดียวนะเราเวียนตายเวียนเกิดนับชาติไม่ท่วนบางคนก็สองสามชาติบางคนก็ชาติเดียว ก็ภานาไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ถึงบ้านถึงบ้านแล้วโห้ยหาบ้านแทบตายบ้านอยู่ที่นี่เองหาสุดรอบจักรวาลอยู่ที่จิตที่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้มานี่เองจะพบพระพุทธเจ้าตัวจริงนะจะพบ่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่ไปนั่งเข้าแถวนั่งสมาธิอะไรเงน้นะหรือนั่งบางสำนักก็นั่งเก้าอี้นะพระพุทธเจ้านั่ง มาสำนักก็นั่งสมาธิกระดุกกระดิกไม่ได้ด้วยเหมือนลูกปั้นไม่ใช่หรอกอะไรที่ยังเป็นรูปเป็นนามอยู่ไม่ใช่นิพพานนะรูปเป็นนามไม่ใช่นิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นทุกข์สิ้นขันแต่ว่ามีไหมสภาวะนั้นมีก็คือภาวะที่สิ้นทุกข์สิ้นขันสิ้นตัญหานั่นแหละนะเวลาที่ตายธาตุขันนี้แตกนะ พลังงานที่มีอยู่กทิ้งไว้ในโลกนะส่วนอมะตะธาตุอมะตะธรรมรวมกากับพราณิผ่านไปพระใิผ่านไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะเทเยอะไปแล้วพวกเราเริ่มตาแป๋วแล้วยากไปฟังไว้ก่อนนะแล้วก็ขยันภาวนาทำให้ถูกสิ่งที่ผิดมีสองงานหนึ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไปตึงไปก็เพราะโลกหย่อนไปก็เพราะขี้เกียจนะเพราะหลงโลก ตึงไปเขาพระโลภมากอยากดีอยากพ้นทุก็แค่นี้แหละถ้ารู้เท่าทันจิตใจตอนนี้ตึงไปรู้ทันตอนนี้หย่อนไปรู้ทันมันก็เข้าทางสายกลางเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกถ้าถูกแล้วมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะแต่ละวันบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมแต่ภาพภาพรวมเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นจยกระทั่งวันหนึ่งมันมีกําลังข้ามพบอไปนะการนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ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 จนมีอยู่วันหนึ่งค่ะหลังจากที่ทุกสาหาัสนี่ได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าจิตที่มันอยากแล้วมันยึดอืมมันมันเป็นกิเลสมันเป็นตัณหาที่ทําให้เราแย่อืมมันปิง๊งขึ้นมาเลยค่ะว่าอ๋อเราโง่อยู่ตั้งนานหน้าหน่าสมน้ําหน้าตัวเองว่าทําไมดันทุลังดีได้ห้ามมันไม่ได้หรอกอะจริตนี่ใส่คนนะบางคนมันก็สู้สู้อย่างนั้นแหละห้ามไม่ได้หรอกอแต่ละคนไม่เหมือนกัน เอาตอนนี้ดีกว่าตอนเนี้จิตถึงฐานไหมไม่ไม่ถึงเท่าไหร่ค่ะอืมตอนเนี้จิตมีน้ำหนักไหมมีนิดหน่อยโอ้ตอบถูกใช่ได้จิตออกนอกะแล้วก็เพ่งอยู่ด้วยเพ่งไปออกนอกไปดวอกใช่ไหมเออถ้าออกก็ไม่เป็นไรละรู้อย่างที่เขาเป็นคที่หลวงพ่อสอนสอนพวกเรานะก็คือหัดรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นให้ได้เท่านึงคบางคนมันหย่อนไปก็ตบทางนี้ทีบางคนตึงไปก็ผลักทางโน้นทีนะ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 สังเกตไหมถอยหลังไม่ได้แล้วใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเออเนี่ยต้องรู้อย่างนี้นะมันมันเจืออยู่ตลอดค่ะนั่นแหละรู้ทันโทสะไว้นะถ้ารู้เราก็ใช้ได้ไปนักปัสกาณพระหลวงพ่อจิตโยมช่วงก่อนเขาจะเห็นแต่ความทุกข์แล้วก็ตอนเนี้ยมันจิตมันหมดแรงแล้วก็กระจายพระหลวงพ่อแตนยังเจ้ามองอยู่นะพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์นะแต่ว่าเราเกลียดทุกข์กันเราอยากรู้สึก ในโลกนี้ไม่มีสุขที่แท้จริงหรอกสุขอยู่ชก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวแล้ทุกข์มันก็มาอีกแล้วละ่ะนะนี่ถ้าใจเรายัางไม่ยอมรับความจริงใจเราก็ดิน้นตรงที่ใจเราดิน้นนั่นแหละเรายิ่งทุกซ้ำสองค่ะมันหมดแรงเลยค่ะหลวงพอดิ้นมากก็หมดแรงนะธรรมดาแต่จะไม่ให้มันดิ้นก็ไม่ได้ธรรมชาติของจิตมันก็ต้องดิ้นรนอย่างนั้นแหละมันจะดิ้นไปจนกระทั่งมันฉลาดนะแล้วมันหยุดดิน้น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 นะคือจิตจําสภาวะได้บางทีจิตก็ไม่จำํำนะสมาธิสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดสมาธิก็ต้องมีเหตุถ้ามีเหตุสมาธิก็เกิดปัญญาบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีเห็นไหมวนะิริยะความดีทั้งหลายนะทุกตัวอะมีบ้างไม่มีบ้างมันจะเห็นเลยธรรมชาติทั้งหลายนะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมพอมันเห็นตรง น, นี้แล้วมันก็รู้ว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะทําจิตนี้ให้บรรลุมรรคผลได้ พ้ามันเห็นถึงตรงนี้นะจิตจะหยุดการดิ้นแต่ว่าการที่มันดิ้นมาตลอดเวลาเนี่ยมันได้สะสมสติสมาธิปัญญามาจนแก่กล้าตรงที่มันหมดเจตนาที่จะดิ้นสติสมาธิปัญญาทำงานอัตโนมัติขึ้นมานะตรงนั้นแหละที่จะได้ของดีนะเพราะงั้นดิ้นไปเถอะห้ามไม่ได้หรอกหมดแรงแล้วก็ไม่เป็นไรมีแรงแล้วดิ้นต่อนะสู้ไป สู้ไปจนวันหนึ่งมันฉลาดเราบอกไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะฉลาดจิตมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้ภาวนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะถอดใจถอดใจหลังชนกัมแพงแล้วภาวนาไปก็ไม่รอดแล้วแต่ถึงจุดนั้นสติสมาธิปัญญาเนี้ยสมบูรณ์ซะแล้วแล้วก็หมดโลภะจิตนาหมดความรู้สึกที่ว่าจะทําจะอยากได้นะ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 มันไม่มีโลภะเจตนาโอโลภะเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหาราปัใจจัยให้เกิดการกระทํากรรมนะเป็นมโนสัญญะเจตนาเจตนาของใจเนี่ยจะทําให้จิตกระทํากรรมเมื่อจิตกระทํากรรมเนะจิตก็อยู่ในภพจิตก็เข้าโลกุตตระไม่ได้นะก็ติดอยู่ในภพนั่นแหละนั่นภพดีบ้างเลวบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้าง<อ>แต่อยู่ๆจะไม่ให้มีโลภะเจตนาไม่ให้มีมโนสัญญาเจตนาไม่ได้นะ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 กค็คณหลวงพ่อมากเลยค่ะนพัสการกับนิธีการหลวงพ่อครับเอผมรู้สึกว่าจะเข้าใจการภาวนามากขึ้นนะถูกแล้วจิตตอนนี้เป็นไงตอนนี้รู้บังคับอยู่ไหมบังคับอยู่เ อ, อรู้นี่รู้แล้วทาไมบังคับครั บ, รบมันเพราะว่าห้ามไม่ได้บอกนี้สิครับ <laughs> ก็มันยังอยากดีอยู่ใช่ครับแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าเราหลงไปกับทางโลกมากเกินไปเรายุ่งซึมมันจะมีความทุกข์โอ้ยทุกข์แต่ว่าก็ยังเพลิเพลินกับมันไปอยู่หลวงพ่อหนะ้าอยู่กับโลกถ้าพูดไปอยู่กับโลกก็อยู่อย่างสบายเรียนหนังสือก็เรียนเยอะงานการก็ดีเงินเดือนก็เยอะนะภรรยาก็ดีดีไปหมดเลยสบายสบาย แต่ว่าใจเนี่ยมันรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นบ้านชั่วคราวตรงเนี้ยมันอยู่ชั่วคราวของดีกว่านี้ยังมีอยู่พอแม่ชีเขาชวนบวชเลยบวชบวชหาทางกลับบ้าน <c oughs> โลกนี้เราอยู่มา น, นานแล้วเรก็ดูเลห้ามมันไม่ได้หรอกแล้วผมภาวนาเคยดูไปที่ลมหายใจอะครับ ม, มันเห็นความสุขกับความทุกข์เนี่ยไม่ไม่ทราบผมเห็นเป็นมัน จริงเป่เห็นสิหายใจไปแล้วสุขเราก็รู้นะทุกเราก็รู้หายใจไปแล้วก็รู้สึกไปตรงที่เราหายใจเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเรากำลังเจริญกายานุปัสสนาอยู่หายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เห็นสุขทุกข์ก็แปรปรวนไปเร้่อยๆเราเจริญเวทนานุปัสสนาอยู่หายใจไปแล้วนะมีความสุขราคะก็แทกมีความทุกข์โทสะก็แท เราจเจริญจิตตานุปัสสนาอยู่หายใจไปแล้วเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจเจริญธรรมานุปัสสนาอยู่นะงั้นอานาปนาสติเนี่ยทำได้ครอบคลุมสติปัฏฐานทั้งสี่นะไม่เลิกเลยทําได้ตลอดเลยหายใจเรารู้สึกหะทําให้ดูซิอย่างนี้แมว อ, อย่างนี้เพ่งเคลียครับให้เห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู ทำไมหลวงพ่อสอนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคนอื่นก็ชอบสอนให้ดูที่ลมหายใจดูลมหายใจมันจะกลายเป็นกสินลมนะสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงแเอาไว้เล่นเอาปีนยงเอาปญญาไว้เข้าฌานแต่ที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยสอนให้ให้มุ่งไปช่วยการเจริญปัญญาให้เร็วที่สุดเลยเพราะชีวิตของเราไม่แน่นอนนะเอาไว้บรรลุมรรคผลซะก่อนนะค่อยเล่นอาปญญาก็ยังทันนะนี่หลอกเด็กนะ ถ, ถึงเวลานั้นไม่อยากเล่นหรอกนะ ถ้าเกิดเล่นตอนนี้ก็ไม่ได้ของจริง ม, มันก่อนเข้าพรรษาไปกราบอุปชาอาจารย์อาจารย์หลวงพ่อที่เป็นกรรมวจจาองค์นี้ท่านก็เก่งท่านนะท่านถึงบอกโออาจารย์ประโม้นี่ไม่สนใจอดีตไม่สนใจอนาคตหน่อยนะมุ่งแน่วแน่อย่างเดียวอยากจะพ้นทุกข์ไปพยาพยามจะพ้นทุกข์บผมไม่เอาหรอกผมต้องเล่นนะมันสนุกนะ ช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่มันสนุกเออท่านสนุกของท่านเราแม่สนุกด้วยเราเห็นเตทุกอ ะ, ะเอาของจริงนะของเล่นเอาไว้เล่นทีหลังถ้าเราเคยฝึกมาแล้วเนะ่อย่างเนี้ยเคยฝึกอนาปานาสติแบบเพ่งลมนะมีนเคยฝึกอยู่แล้วนะถึงวันที่ใจมันเกิดอริยมรรคขึ้นมาเนะยของเล่นมันจะกลับมาเองไม่ต้องฝึกอะไรแล้วเล่นแป๊บเดียวก็เป็นเลย เราไม่ทราบว่าผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่เพิ่มสิรู้อย่างที่เป็นไม่เพิ่มอะไรมันครับขอบคุณครับทุกคนยิ่งเพิ่มยิ่งช้าเอานมาสการ์ดข้าวของอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเออใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทำมาณเนี่ยจะจั่วใจวายอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าสงเคราะห์เลยให้พวกนี้ก่อนได้ครั บ, รบเรายอมตื่นเต้นเราบุรุษเพศให้พวก ที่กลัวก็กลอนเดี๋ยวเขาจะหัวใจวายไปอขอบพระคุาครับหลวงพ่อค่ะ <c oughs> คือลูกเห็นถูกแล้วล่ะเออ <c oughs> ขันมันก็แยกนะดูขันมันทำงานไปแต่ว่าถ้าภาวนาไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบ <c oughs> นะงินเจริญปัญญารวดไปมันจะฟุ้งไป <c oughs> นะคะทำเป็นช่วงๆไปแต่ตอนนี้มันเข้มแข็งขึ้น <c oughs> ดิมันโต หรวงพาอถึงว่าพวกเราอ่ะมันเจริญเติบโตขึ้นนะบารมีมันเพิ่มมันมีกำลังที่จะไปจากโลกนี้สะสมไปอย่างนี้ยังอ่อนหน่อยนะดีขึ้นแต่ยังไม่เข้มแข็งเท่าเจคุคนี้กับขอบพระคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหเจ้คะเพิ่มอีกละรู้อย่างที่มันเป็นรู้สบายๆสังเกตดูจิตตอนนี้ถึงฐานไหม อั น, นี้มันแน่นเจิตไม่เข้าบ้านนะจิตมันแน่นมันเครียดแล้วก็มันไม่เข้าบ้านคือมั น, ม, นมีโทสะเกือบวินาทีต่อ ว, วินาทีเลยอะคะ่ะดูไปเหมือนเห็นคนอื่นนะ <c oughs> แล้วเราเป็นกลางเราจิตที่มีโทสะ <c oughs> พวกเราจะพลาดอย่างหนึ่งพอเราเห็นอะไรที่ไม่ดีเราไม่ชอบเราหาทางแก้แทนที่จะไม่ชอบเราหาทางแก้นะรู้อย่างที่มันเป็น <c oughs> นะรู้โทสะไปจิตมีโทสะจิตไม่ชอบโทสะ รู้ว่าไม่ชอบนะจีจะเป็นกลางแล้วจะเห็นโทรษาสอนธรรมะเราตอนนี้ก็ดูมันแบบค่อนข้างเล้าเรื่ออย่างไม่ค่อยล่าเรืงยังดูอย่างเครียดแค้นอยู่นะอย่ามาอํานะแต่มันแบบมันเหมือนแบบแค่ขยับกายก็แบบมีความขุ่เห็นไหมตรงเนี้ยกิเลสที่เรียกว่ากุกกุจามันหงุดหงิดตัวเองนะมันไม่ได้หงุดหงิดคนอื่นอะหงุดหงิดตัวเองว่าไม่ผ่านสักทีป่อ อยจะบอกไม่มีโทสะอีก่เดยเป็นกลางมันแค่ขยับตัวมันก็ขุนแล้วค่ะเออนั่นแหละดีขุนเรารู้เอาเจ้าค่ะพวกโทสะนะพอนาง่ายนะเวลาเจอพวกโทสะหลวงพ่อจะสอนให้ดูอนัตตานะอย่าไปดูอนิจจังดูในมุมของอนัตตาไปเลยพวกโทสากล้าเนี่ยปัญญาจะกล้าพวกปัญญากล้าดูอนัตตา ถ, ถึงจะลงเห็นไม่ใหมันโกรธได้เอง คืออย่างนี้นะอืมมันโกรธเองมันหายเองเอ้ามันโกรธเองอีกแล้วดูมันทํางานได้เองไปเรื่อยๆนะพอเห็นมันทํางานได้เองต่อไปก็ไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะตอนนี้ยังแทรกแซงอยู่เออไปทําต่อขอบคุณเจ้าค่ะกร่าวธรรมสถานหลวงพ่ออืมตอนนี้ทํารูปแบบคือเดินจงกรมอยู่อ่ะค่ะจิตไม่เข้าบ้านไหนมาเดินโชว์ซิเขินเต้นค่ะ ผมตื่นเต้นมากอย่าเล่นลมว่าใจจะวายก็รู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อก่อนนะคะถูก<อ>ในภาพรวมนะพนานาดีขึ้นนะ<อ>แล้วค่อยรู้อย่างหนึ่งจิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐานตัวนี้ตัวนี้สำคัญจิตถึงฐานไม่ใช่ว่าต้องถึงฐานนะ<อ>ถึงก็รู้ไม่ถึงก็รู้แต่ถ้าจิตมันไม่ถึงฐานแล้วก็เจริญปัญญาไปด้วยไม่เกิดหรอกไม่เกิดปัญญาจริง <laughs> ดูเอาสิจะมีอะไรอีกอ่ะ<า> <laughs> มีอะไรที่หลวงพ่อจะบอกอีก <laughs> บอกมาจนเสียงแห้งขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะอย่าไปอถอยใจนะที่เราพอนามาดีขึ้นเยอะแล้วทุกคนเลยตั้งแต่หัวแถวยันท้ายแถวนะดีขึ้นทุกคนแหละถ้าให้คะแนนก็ให้ผ่านแต่ถ้าปีหน้ายังเหมือนตรงนี้สอบตกนะ <laughs> นล้เจริญอยู่กับที่ไม่ได้นะมันจะค่อยๆอัปเกรดตัวเองนัเป็นพลังมันจะเยอะขึ้นใจมันจะเข้มแข็งมันจะเติบโตขึ้นอ้าว่ามารรู้สึกไหมว่าร่างกายกับใจมันคนละอันกันดูออกป้างไหมนั่นแหละดีนะไม่ทราบว่าปฏิบัติเราถูกต้องฝึกอีกนะอมันจะถูกเป็นลําดับลําดับไปวันนี้ถึงตรงนี้ก็ถูกนะปีหน้าอยู่ตรงเนี้ผิดต้องไปอีก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 จะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ทำต้องใจต้องอย่างนี้นเลยนะแล้วมันถึงจะเร็วถ้าภาวนาเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้โทสามจะขึ้นชีโมโหไหมก็มีบางครั้งก็รู้ไปน้อยหกน้อยใจอะไรก็รู้นะออนั่นแหละรู้ไปลองหายใจนะหายใจให้ใจกลับบ้านหายใจเข้ามาเวลาตื่นเต้นอ่ะหายใจลึกๆหายใจยาวๆ หายใจลึกๆเดี๋ยวจะหายตื่นเต้นหายใจไปหายใจก่อนแล้วพูดทีหลังหายใจเห็นใจที่อยากพูดเป็นเพื่อเๆื่อไหมเออนั่นแหละภาวนาหายใจไปแล้วรู้ทันใจไปอย่างนั้นแหละเรียกปฏิบัติจิตไหลไปแล้วรู้สึกไหมเออให้รู้ทันว่าจิตไหลไปหายใจไปเรารู้ทันจิตอย่างนั้นแหละ เพ่งเรารู้สึกไหมจะ อ, อึดอัดเราไปเพ่งมันทำไมอ่ะก็บอกสิมันเพ่งเองเ น, นี่ยนะหายใจไปนะแล้วก็รู้ทันใจไปใจไปทำอะไรก็รู้นะใจไหลไปไหลมาก็รู้ใจหนักก็รู้ใจเบาก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้นะนั่นแหละปฏิบัติไม่มีปัญหาอื่นหรอก อ, อ้าวทำมัศกาลของพ่อคะ่ะใช้ได้ วันนี้ในรูปแบบก็จะมีเดินจงกรมเป็นหลักให้คนนี้ก่อนกำลังใจลอยให้ออกสหนอยหล้วโอ้ยเลยภาพเร่าสการ์หลวงพ่อครับอืมครับก็ยังมีเดินจงกรมอยู่ครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าตามดูอาจิตที่มันเคลื่อนไปทำงานเองได้บ่อยขึ้นพวกเรา่ใช้ได้นะเกือบทุกคนเลยนะขันมันแยกหมดแล้วละขันแยกมันเป็นธรรมชาติ ขันแยกจนเป็นธรรมชาตินะการปฏิบัติที่เหลือเนี่ยไม่ยากละดูบ่อยๆดูขันทํางานบ่อยๆถึงวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงของขันทําถูกแล้วละอขอการบ้านด้วยครับทําต่อทําถูกแล้วก็ทําต่ออะอันนี้นมันสการครับหลวงพ่อคือตอนนี้รู้สึกจิตมันค่อนข้างจะฟุง้งซ่านและไม่ค่อยมีสมาธิไม่ไมว่ามัน <c oughs> เวลาจิตฟุ้งซ่านนะหรือบางทีจิตมืดมืดมัดมวมัวนะอย่า <c oughs> ตกใจ หลวงพ่าเมา่ก่อนก็ตกใจพอนาแล้วจิตมัวมัวไปนะทนไม่ได้นะต้องหาทางให้มันสว่างเนจิตฟุ้งซ่านก็ทนไม่ได้หาทางให้สงบต่อมานะฉลาดขึ้นมาจิตมัวรั่วมัวนะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากให้สว่างรู้ว่าอยากใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะก็เลิกมัวไปเลยนะจิตฟุ้งซ่านก็เหมือนกันจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านอยากให้หายรู้ว่าอยากนะในที่สุดจก็เข้าสู่ความเป็นกลางก็เลิกฟุ้งซ่านไปเลย เพราะฟุ้งซ่านมาหลอกเราไม่ได้อีกละกิเลส ท, ทุกตัวมันจะหลอกให้จิตของเรากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อลงเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เอากิเลสมาหลอกเราที่เอาความดีมาหลอกเราก็มีนะวสว่างสวัยดีแล้วอยากอยู่ตรงนี้นานๆให้รู้ทันใจของเราเองใจที่ยินดีให้รู้ใจที่ยินร้ายให้รู้แล้วในที่สุดใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วสภาวะทั้งหลายทั้งดีและร้ายอย่างฟุ้งซ่านและสงบเนียจะเท่าเทียมกัน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 เราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสูขเอาสงบนะเราฝึกให้เห็นวันดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุง้งซ่านก็ไม่เที่ยงทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราบังคับไม่ได้สักอย่างเดียวใจจะเป็นกลางงั้นต่อไปเนี่ยพอมันมืดมาปุ๊บรู้ทันเฉยๆใจยังเบิกบานหายมืดเลยหายทันทีเลยนะเออง่ายมากเลย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 แล้วคือตอนนี้ในรูปแบบก็จะเดินจงกรมเป็นหลักแล้วก็จะมีนั่งสมาธิดูลมบ้างนิดหน่อยอะคะอ่ะในอยากให้หลวงพ่อดูให้หน่อยว่าดูลมมีมอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะเอาดูไปยิ้มหวานก่อนอย่าลืมหลักสูตรของหลวงพ่อก่อนจะเริ่มภาวนาต้องยิ้มยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะอย่างงี้มไม่เอานะ <c oughs> เอ อ, อย่างนี้มไม่ได้ประโยชน์เลยยิ้มให้ใจมันคลี่ออกเลย แล้วใช้ใจที่คลี่ๆี่เนี่ยใช้ใจที่ธรรมดาธรรมดานี่สบายสบายเนี่ยไปรู้สภาวะธรรมเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายเบิกบานอย่างนี้เครียดไปเอาใหม่ทาไม่ยิ้มเลยเห็นไหมโอ้บอกให้ยิ้มก่อนเนี่ยใช้ใจอย่างนี้เลยนะใช้ใจอย่างตรงนี้แหละแล้วก็เห็นไหมร่างกายกาลังหั ก, กวัวเร้ะเห็นไหมร่างกายหายใจใช้จิตตัวนี้นะ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 จิตอย่างนี้มันจิตเป็นล็อกอยู่ไม่เอาจิตล็อกๆ อ, อย่างนี้ไปทำกรรมฐานเหนื่อยตายเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ทำา๋อตอนแรกก็จะถามว่าผมพัฒนาขึ้นไหมอย่างี้พัฒนาหลวงพ่อก็ตอบว่าพัฒนาขึ้นเนี่ อ, อพัฒนาทุกคนเลยนะตั้งแต่หัวแถวยันถังแถวอะดีขึ้นทั้งนั้นเลยผมมีอะไรที่มันติดขัดไหมครับสํมรัจตัวเองสิสีเราดียัง มีข้อสีอ่นะครับมันก็ตรงไหนยังคร่องอยู่ก็ตัวอนะครับมนก่อนหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดใต้นี้ลงไปเทศแล้วมีคนรู้จักกันมาถามหลังหลังอยากสอนหลังอยากเทศมาถามกรรมฐานาหลายคนเลยคนนี้ถามว่าจะปฏิบัติไงจิตหลวงพ่อก็ตอบพวกเลยทำํำยี้งี้คนนี้ทำไงจีนก็ตอบปุ๊บปุ๊บพอมาถึงคนนี้นะถามผมจะปฏิบัติไงจิตมันไม่ยอมบอกอะ มันเฉยให้ธรรมะทำไมไม่ปลุกขึ้นมาไม่รู้เลยว่าจะสอนอะไรเขานะเลยถามเขากินเหล้าเปาเขาตอบว่าจะเลิกตั้งแต่วันนี้แหะครับนี้ะคือศีลสำคัญนะไม่งั้นเนี่ยธรรมะไม่เจริญหรอกต้องมีศีลนี่คารวนเนี่ยศีลมันจะพล้องง่ายข้อสีะพล้องปกติ แต่ว่านานไตเพปก็ให้มันดีขึ้นดีขึ้นก็แล้วกันแล้วทุกวันเนี่ยฝึกสมาธิบ้างไหมฝึกครับผมเดินจงกรมวันละประมาณหนึ่ ง, งช่วงเทียมนะฮะเออเดินจงกรมแล้วก็นั่งนะฮะนั่งสมาธิแต่ว่านั่งเนี่ยมันจะชอบแบบซึมมาครับ <ผม S 1> หายใจลองทำํำที่ทำที่นั่ ง, งสมาธิเอาไม้ลงก่อนอให้เหมือนจริงๆ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 พวกเราเวลาทําสมาธิเนี่ยเริ่มต้นจะผิดแทบทุกคนเลยคือเริ่มต้นเนี่ยจะเข้าไปดัดแปลงจิตให้มันสงบเราคิดว่าสมาธิทํำแล้วต้องสงบเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะทําให้มันสงบเลยจะแบบเอารัดรนะัดน่ะเอาทางรัดใช่ไหมเริ่มต้นก็ก็นั่งได้ที่ก็ต้องทําใจให้สงบมันไม่ใช่สงบอย่างนี้เรียกใจเฉยเมยนะออแต่สงบเนี่ยหัวล้ออยู่อย่างสงบเลยนะ มันไม่ใช่ใจต้องเฉยๆเราเรียกว่าสงบนะนะรู้สึกตัวสบายๆนะแล้วก็เพราอย่างนี้ไม่สบายอย่างนี้ท้อแท้นะดูออกไหมเออใจมันท้อแท้บูบขึ้นมาเฉยๆเลยบอกให้สบายๆทำตัวสบายๆายเครียดไปเครียดไป อย่าปฏิบัติไม่ปฏิบัตินั่งสมาธิมันก็แค่นั่งเห็นร่างกายหายใจไปเท่านี้ไม่ต้องปฏิบัติอะไรหรอกใจถึงๆหน่อยนะเขาเรียกว่าจะจับแต่แกล้งปล่อยเนี่ยรู้สึกไม้มใจตึงขึ้นนะอถ้าใจตึงอย่างนี้ยังไม่ง่วงนะแต่ถ้าทําเบลอๆเครื่องๆไปนะนั่งครั้งเดียวก็จะหลับเนี่ ย, ยทําอย่างเนี้ยทําอย่างเนี้ยใจเริ่มอ้อยส้อยอ้อยหิงลงไปเรื่อยๆ ใช่ปล่อยมันดรอปลงไปมันจะหมดแรงลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนสุดก็ฟุบอย่างที่ออกมาก็เป็นอย่างนี้สิเถูกแล้วอย่างนี้อย่าให้มันดรอปลงไปงั้นถ้ามันจะดรอปกใหายใจแดงๆอย่างมีความสุขอย่าลืมคำว่าความสุขนะเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะต้องมีความสุขเนีย่ยใจถลำลงไปแล้วรู้สึกไหมนะให้รู้ทันไป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 แต่เวลาใจจะรวมถ้าแหลกแทกไม่ชำนาญนะเหมือนหล่นบุ๊บลงไปเลยเ น, นี่ย ท, ทั้งที่ตื่นๆอย่างนี้เนละมันก็รวมของมันเองอย่างนี้ใจไหลไปแล้วรู้สึกหมเอออย่างนี้ใช่ได้ไปทำอคือเมื่อคราวที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้โยมไปดูว่ามีตัวเองไหมคือหลังจากที่ส่งอารมณ์ไปแล้วเนี่ย ลหลวงพ่อบอกว่าเวลาดูก็ให้แอบแอดูแล้วโยมก็พยายามแอ บ, บดกกูก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ก็ทำอยู่แล้วก็ไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อไม่กี่วันมันเนี่ยโยมนั่งดูทีวีแล้วก็กำลังดูดูทีวีสติเขากากลับมาที่ใจพอกลับ ม, มาที่ใจโยมก็เออเข้ามาดูนะฮะดูก็เลยเห็นพอสักปเดี๋ยวนึงมีตัวอยากดูทีวี โยบก็ไปดูว่าเออไอ้ตันหามันทานํางานยังไงเนี่ยมันอยากมันอยากอ ย, ากอย่างเงี้ยกําลังนั่งดูนั่งดูอยู่อืแวบหนึง่งมันเหมือนเหลือไปเห็นอ่ <c oughs> อะไรก็ไม่ทราบเหมือนเป็นหมอกบางๆคลุมอยู่ทั้งล่างเนี่ยฮะอืแล้วก็รู้สึกเออเนี่ยมีอยู่ตัวเองมีตัวเองอยู่อย่างนี้เองอย่างเงี้มยนะ<ะ>มันอยู่นะมันยังไม่ได้โสดาอ่ะแต่ว่ารอบนี้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลย รอบนี้จิตมันเดินปัญญาแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญาที่เช้าก่อนนะนึกว่าได้โสดานะที่มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเพราะว่าคือเห็นวันทำงานของวันเองอะไรตอนอะไรอย่างนี้นะฮะไม่พอมันมีเงาแห่งความเป็นตัวเป็นตนเคลือบแฝงอยู่เห็นแล้วเนาะเห็นแล้วดีแล้วลาโมทนาไม่ไม่ง่ายนะที่จะเห็นนะคือ โยมก็คิดว่าโยมเอ๊ะเห็นจริงหรือเปล่า ม, มันเหมือนมีบอกหมอกหมอกเนี่ยคลุมอยู่ทั้งล่างอย่างเงร้ยมันมีความเป็นเราซ่อนอยู่น ะ, ะเป็นแฝงอยู่มันไม่ออกมาชัดๆัดเหมือนแต่ก่อน<ะ>มันเหมือนเป็นเงาเคลือบแฝงอยู่ในใจเราแลอย่างเป็นเราอยู่ยังเป็นเราอยู่ต้องแอบแอดูนะถึงเห็นนะจงใจดูมันหนีไปหมดเลย<ะ>นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูอะวิโยเขาบอก น, นั่นแหละไม่ได้จงใจะนะ สติมันย้อนมาเห็นเข้าใจมันตั้งมั่นขึ้นมานปัญญามันก็เกิดก็เห็นตรงตามความเป็นจริงขึ้นมาคร mm hmm. าวนี้ภาวนาดีรู้สึกไหมใจมันเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงได้เอง mm hmm. นั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาทำไปอีกค mm ือ hmm. อย่าโลบนะโลบแล้วอยากจะเรียนหลวงพ่อค mm ่ะเมื่อสักคือสมัยก่อนนั้นนะโยมก็ดูใจดูลมหายใจเข้าออกเน mm ี hmm. ่ยอยู่จะดูอยู่ระหว่างทรงอก อยู่ตรงอกตรงแถวเลยนปีที่นี้ก็ดูก็ก็มาได้ดีอยู่เรื่อยๆที่นี้ก็พอหลังจากที่นั้นเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยก็มีความสงสัยมาว่าเอ๊ะหลวงพ่อท่านก็ตั้งลมหยายใจอยู่ตรงจมูกแล้วก็หลายหลายองค์ก็อยู่ตรงจมูกแต่เราทำไมทำไม่ได้อยู่แต่ตรงเล่นปีก็ไปถามพระที่เคยไปเข้าวัดท่านบอกว่าไม่ถูก โยมก็เอ๊ะเราจะทําไงดีอ่ะพอไปตั้งจมูกเดี๋ยวมันก็มาอยู่ที่ใจในนี้โยมลูกเขาไปเจอเพื่อนบวดมาเก้าปีเขาบอกเขาดูลมหายใจแถวนปีแล้วก็โยมก็ดีใจแล้วก็มีเราไม่ไม่นานโยมก็ไปอ่านหนังสือหลวงหลวงตามหาบัวอืท่านบอกว่าในการทําอาณาปานสติเนี่ยกแรกคือให้ดูที่จมูกก่อน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 ไม่ยด้ไปอยู่ที่หน้า่ะที่ที่จะบกแหละกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมามเพราะฉะั้นเวลาถ้าถ้าเป็นสมถาถะนั้นนเี่ขึ้นมาข้างบนสงบสว่างแล้วร่างกายก็หายไปแต่เวลาที่จะเดินปัญญาเนี่ยเราจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วนะมันหมุนอยู่กลางหน้าอกเนี้บางทีหัดใหม่ๆเห็นมันฝุดผุดนะแต่มาบางทีบางคนก็เห็นอีกมุมหนึ่งแทนที่เห็นว่ามันฝุดผุดขึ้นมาเห็นว่ามันหมุนอมโอวัตตะมันหมุนอยู่กลาง<ม>อกนี่เองะ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 เราเข้าหาันใหม่ๆนะฮะดูจิตนเนี่ยพอมาเห็นไอ้เนี่ยไม่ชอบเลยนะหาทางทําลายมันนะบทีเพ่งเพ่งใส่มันระเบิดเปรี่ยงเลยนะโอยไม่มีแล้วโล่งว่างเลยแต่เดี๋ยวกลับมาใหม่อีกวันหนึ่งมาอีกแล้วคราวนี้เพ่งใหม่เพ่งไงก็ไม่แตกนะเพ่งไม่แตกทําไงดีว่าเฉือนมันดีกว่าค่อยๆเฉาะมันเฉาะๆนะถากถากถากสุดท้ายโอ้หายไปหมดนะอีกวันหนึ่งมาเนี่ยเฉาะไม่เข้าเฉาะแล้วเด้งดึงดึงดึงนะกําหนดจิตแหลมเป็นเข็มเลยนะจิ้มจิ้ม จิ้มแล้วมันก็แฉลกไปแฉลกมากะมุมให้พอดีเลยจิ้มโปะแตกเลยอีกวันหนึ่งจิ้มไงก็ไม่แตกเนี่ยวุ่นวายอยู่กับมันนานเลยนะเสียเวลามากเลยที่แท้ไปหลงแก้อาการของจิตไม่แก้นะถ้าเราเห็นในตัวนี้นะจนเห็นวัตตะหมุนอยู่ในใจเราหรือว่าผุดๆอยู่ในใจแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นทุกเราจะรู้เลยว่าความทุกข์เนี่ยเกิดตลอดเวลา ในโลกนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วใจมัีก็คลายออกจากโลกลวงตาท่าหนหึวงบอกนะว่าถ้าภาวนามาเห็นตัวนี้นะถ้าเป็นพระเนี่ยท่านไล่เข้าป่าได้ไมั้ยจะไดเข้าป่าแต่พวกเราไล่เข้าป่าไม่ได้หลงป่าตายเลยลํา <laughs> ด, ดับต่อไปนี้ก็ขอโอกาส ท่านทุกท่านนะครับที่มาอยู่ที่ณัดที่นี้แล้วเราพร้อมใจกันขอขมากรรมต่อหลวงพ่อประโมทพระบูโชกันเลยนะครับเนื่องด้วยนะครับเราทุกท่านอาจจะพลั้งเผลอไปด้วยพระถ้าพา ะ, ะพลั้งนะครับเผลอไปก็ดีนะครับด้วยการบรจารใจที่เราได้กระทํานะครับต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งอดีตและก็ปัจจุบันเดี๋ยวพวกเรานะครับน้อมหมอบลงนะครับข้ามขมามิ เอวังโหตูเอวังโหตูโยจะปุเพปมัชิตวาปัชชาโสนัปมัชติโซมังโลกังปภาเสติอัพามุตโตวจันติมายัสสะป่าปังกตังกัมมังกูสเลนะปิยติโซมังโลกังปภาเสติอพามุตโตวจันติมาอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวุทธาปจจายโนจตารโหธรมาวทันติอายุวโนสุขขังพระลังสตูุพันเต